ดีครับท่านผู้ฟังโอวาสีของท่านเหลียวฝานที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ผู้ใช้นามแฝงว่ามิสโจถอดความจากต้นฉบับดั้งเดิมซึ่งเป็นภาษาจีนโบราณในสมัยราชวงศ์หมงท่านเหลียวฝานได้อบรมบ่มนิสัยในเชิงเล่าให้ลูกท่านฟังประมาณปีพุทธศักราช 2,092 และเสียงนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ อ, ออกอากาศของรายการเพื่อนรัติการ ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารภาค FM ความถี่ 90.5 เมกะเฮิรซจัดและบรรยายโดยกุลชาติเทพหัสดินณอยุทยาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้การสนใจต่อไปนี้ขอเชิญท่านตั้งใจฟังถ้อยคำที่เปี่ยมล้นด้วยเนื้อหาสาระให้ข้อคิดที่ดีงามเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนา วิถีชีวิตที่สุขสงบและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโอวาทสี่ของท่านเหลียวฟานตอนเริ่มต้น ข้อที่หนึ่งการสร้างอนาคตข้อนั้นกําพรท่านบิดาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบทันยาของลูกในเวลานั้นก็มีอายุมากแล้วท่านได้บอกให้พ่อเลิกคิดที่จะเป็นคุนนางเสียหันมาเรียนแพทย์ดีกว่าท่านบอกพ่อว่าการเป็นแพทย์นั้นนอกจากจะยึดเป็นอาชีพได้ดีแล้วยังจะช่วยคนยากจนได้อีกด้วย ถ้มีความสามารถดีก็จะเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นความปรารถนาของท่านวิดาที่เสียชีวิตไปแล้วต่อมาพ่อพบผู้เฒ่าท่านหนึ่งที่วัดชิวิ๋นจือ้อท่านมีคราวยาวมีราศีผ่องใสยิ่งนักรูปร่างสูงใหญ่สง่างามราวกับเทพ ย, ยดาพ่อจึงคารวะท่านด้วยความเคารพท่านพูดกับพ่อว่า เธอจะได้เป็นขุนนางนะปีหน้าจะสอบผ่านได้ทั้งสามชั้นฉนายจริงไม่เรียนหนังสือหล้าพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังแล้วถามชื่อแท้และที่อยู่ของท่านท่านตอบว่าท่านแท้คงเป็นชาววินนานได้เล่าเรียนวิชาโหราศาสตร์อันเป็นตำราดั้งเดิมถ่ายทอดกันมาโดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมอันใด ให้ไข้เผย่อเลยซึ่งเป็นตำราของท่านบรมโหราจาร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ซองพุทธศักราช960ถึง 1,127 ท่านผู้เช่าคงต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่พ่อพ่อจึงพาท่านมาบ้านเพื่อมาพบท่านย่าของลูกท่านกำชับให้พ่อต้อนรับท่านผู้เช่าให้ดีแล้วทดลองให้ท่านพยากร์ดู ปรากฏว่าแม่นยำไปเสียทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ผิดพลาดเลยพ่อจึงเริ่มเรียนหนังสือใหม่ก็ท่านลุงของลูกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อนี่แหละท่านได้แนะนำให้พ่อไปเป็นนักเรียนกินนอนที่สานักเรียนแห่งหนึ่งท่านผู้เท่าคงได้พยากรพ่อไว้ว่าจะสอบผ่านทั้งสามขั้น ขั้นแรกจะได้คะแนนมาเป็นที่14ขั้นกลางจะได้ที่71และขั้นที่สจะได้ที่9ปรากฏผลว่าออกมาฉะนั้นจริงๆต่อมาท่านกอพยากรณ์อนาคตของพ่อไว้ว่าปีใดจะสอบได้เป็นนักเรียนหลวงบ่ายข้าวพระราชทานเป็นจํานวนเท่านั้นถังปีใดจะได้สอบขั้นสุดท้ายปีใดจะได้เป็นในอําเภอ เมื่อเป็นแนมเพลแล้วสมปีครึ่งก็ควรลาออกจากราชการเพราะอายุ53าปีก็จะสิ้นอายุไขจะนอนตายอย่างสงบในวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน8เวลาระหว่างตีหนึ่งถึงตีสาน่าเสียดายจะไม่มีบุตรไว้สืบสกุลพอได้บันทึกไว้ทุกคำเพื่อการลืมในการต่อมา คำพยากรณ์ของท่านพูดเท่าคงก็ยังคงมั่นย้ำอยู่เสมอมามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากรณ์ได้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจํานวนหนึ่งแล้วจึงจะได้สอบขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั่นยังไม่ทันที่พ่อจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบตามจํานวนที่ท่านพยากรณ์ไว้พ่อก็ได้รับคําสั่งให้ไปสอบ คราวนี้สอบตกพอเริ่มสงสัยในคาพยากร์อยู่ในใจแต่แล้วในปีต่อมามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นกรรมการตรวจข้อสอบให้พ่อท่านเคยชมพ่อว่าคำตอบทั้งห้าข้อของพ่อนั้นเขียนได้ดีเหมือนคุณนางผู้ใหญ่เขียนทูลกล้าถวายความเห็นต่อห้องเต้ น, น, นทีเดียวท่านว่าถ้าคนไม่มีความรู้จริง ย่อมเขียนไม่ได้เช่นนี้ความสามารถของพ่อย่อมจกเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินฉะไหนจึงจะถูกทําลายอนาคตที่เราท่านจึงสั่งให้พ่อไปทํางานกับท่านแต่ได้รับพระราชทานข้าวหลวงย้อนหลังจนครบจำนวนที่ขาดไปปรากฏว่าเท่าจำนวนที่ท่านผู้เท่าคงคำนวณไว้พอดี เมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งทําให้พ่อเพิ่มความเชื่อถือในคำพยากรณ์ของท่านผู้เท่าคงยิ่งขึ้นเพราะอุปสรรคที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นทำให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าชะตาชีวิตนั้นได้ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วจะมีใครเป็นอุปสรรคอย่างไรก็หนีไม่พ้นพ่อจึงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ไม่มีความปรืดตือรื้อนไม่เถเยอทะยานขนขวายไม่ดินร้นที่จะเอาดีไปกว่านี้อีกต่อไปทําให้จิตใจสงบดียิ่งนักเมื่อผอสอบได้แล้วเช่นนี้<ม>ก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงคือปักกิงในปัจจุบันอยู่ในมหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่งปีพอมาได้ดูหนังสือหรือว่าตำราเรียนใดๆอีกเลย เอาแต่ น, นั่งสมาธิไม่พูดไม่จาไม่คิดอะไรทั้งสิน้นพอครบหนึ่งปีพ่อก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเข้ามาหาวิทยาลัยของหลวงทางใต้คือนานกิ่งในปัจจุบันอันเป็นสถาบันสุดท้ายที่นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามขั้นตอนต่างๆในภูมิลเมาเดิมของตนมาแล้วจะต้องเข้ามาฝึกฝนเตรียมตัวเพื่อสอบออกรับราชการต่อไป แต่ก่อนที่พ่อจะเข้าไปยังสุาบันนี้ได้แวะไปที่วัดชีเสียสานเพื่อคาระวะท่านอวินกุเทระเสียก่อนพ่อได้นั่งสมาธิกับท่านสองต่อสองเป็นเวลานา น, านถึงสามวันสามคืนโดยไม่ได้หลับตาเลยเพราะเทระกล่าวกับพ่อด้วยความแปลกใจว่า อันธรรมดาบุตรชนนั้นจิตใจว้าบุ่นสับสนจึงไม่สามารถบรรลุฌานได้ส่วนพ่อนั้นฉันไหนนั่งสามวันแล้วยังไม่เห็นจิตใจวอกแวกเลยพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังว่าท่านผู้เท่าคงได้พยากรณ์อนาคตของพ่อไว้แน่นอนแล้วคิดบุ่นวายไปก็ไร้ายประโยชน์จึงทําให้ใจสงบสบายไร้กังวลดีกว่าธรรนวินกุเทระ บเราะก็ร้องว่าโถเฮ้ยนึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วซิทิแทก็ยังเป็นบุตุชนอยู่นั่นเองพ่อจึงกราบถามท่านว่าทำไมจึงว่าพ่อเป็นบุตุชนท่านตอบว่าอันที่จริงคนเรานั้นถ้าจิตใจไม่วาบุนทำใจให้สงบได้แล้วก็เกือบจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พ้นจากความเป็นบุตุชนได้แล้วแต่คนธรรมดานั้นจิตใจยากที่จะสงบระงับได้ การฟุ้งซ่านนี่เองที่ทำให้คนเราถูกผูกมัดด้วยอำนาจพลังบวกและพลังลบของธรรมชาติทำให้ไม่มีอิสระเสรีต้องขึ้นกับดวงชะตาราศีและการโครจรของดวงดาวบนท้องฟ้าที่โหราจารย์ทั้งหลายได้ทำสถิติกันไว้โหราศาสตร์จึงมีขึ้นด้วยเหตุนี้ก็มีแต่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้น ที่จะถูกกำหนดได้ตามวิชาโหราศาสตร์แต่คนที่ทำแต่ความดีมากๆแล้วชะตาชีวิตจะทำอะไรได้โหราศาสตร์นั้นยังไม่ถึงกรรมดีกมชั่วของคนเรารอกวิชาโหราศาสตร์จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดมิได้เพราะคนดีนั้นถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งบอกว่าไม่ดีอย่างไรแต่พลังแห่งกุปสธรรมนั้นใหญ่หลวงนัก สามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ในทํานองเดียวกันคนที่สร้างอากุศลกรรมอย่างหนักไว้เจตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกันแม้จะถูกลิขิตมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างไรแต่พลังแห่งอกุศลกรรมมันใหญ่หลวงนักยอมสามารถเปลี่ยนความสุข เป็นความทุกข์ความมีลาบยศกลายเป็นหมดลาบยศความอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกันท่านว่าพ่อนั่นปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมมา20ปีฉะไหนจะไม่ใช่ดุจชนเราพ่อกราบถามท่านอีกว่าถ้าเช่นนั้นชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้หรือท่านตอบว่าชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน อนาคตเราต้องสร้างของเราเองคนทำดีจะตาก็ดีคนทำชั่วจะตาก็ชั่วเมื่อต้องการอนาคตดีก็ต้องทำดีถ้าทำแต่ความไม่ดีแม่จะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ในพุทธธรรมก็ดก ไ, ววได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการลาบยศย่อมได้ลาบยศผู้ใดต้องการบุตริดาย่อมได้บุต ธ, ธิดา ผู้ใดต้องการอายุยืนย่อมได้อายุยืนหากประกอบแต่กรรมดีย่อมสมปรารถนาแหลพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวไว้เช่นนี้ สักถามท่านตอไปว่านักปรชญาท่านเมื่งจือได้กล่าวไว้ว่าหากปรารถนาสิ่งไรต้องได้สิ่งนั้นท่านคงหมายถึงสิ่งที่กระทำได้ทางนามธรรมและกระมังคุณมาทำความดีงามนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างได้เองโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหนแต่ทางรูปธรรมนั้นยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงและความมั่งคั่ง จะแสวงหาได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้หยิบยื่นให้ท่านาวินกุเทระตอบพ่อว่าท่านมึงจือกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกพ่อเองที่เข้าใจคำสอนของท่านผิดไปท่านหลักโจ้เคยกล่าวไว้ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิน้นการแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน ไม่เพียงแต่จะได้คุณธรรมความดีงามทางธรรมะเท่านั้นความสุขความเจริญลาบยศชื่อเสียงเงินทองอันเป็นความดีงามทางโลกก็จะติดตามมาเองเพราะฉะนั้นการสแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนั้นย่อมได้สิ่งที่ดีงามตามป ร, รารถนาในธรรนองเดียวกันหากไม่สำรวจตนเอง ไม่เริ่มต้นทำความดีจากตัวเราเองกลับดิ้นรนคิดแสวงหาจากภายนอกแม้จะแสวงหามาได้ก็เป็นเพียงได้ตามชะตากำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่ได้เพราะความดีของเราเพราะการแสวงหาจากภายนอกนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมนเอาด้วยคาถา สแสวงหาด้วยแรงขับของกิเลสตัณหาจึงไม่ทันได้คำนึงถึงศีลธรรมเป็นการสูญเปล่าทั้งสองทางทางธรรมะก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีก<ส>าการสแสวงหาจากภายนอกนั้นจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรท่านถามพ่อว่าท่านผู้เท่าคงพยากรณ์ไว้อย่างไรบ้างพ่อก็เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียด ท่านถามพ่อว่าเธอลองทายดูเองสิว่าจะสอบได้เป็นคุ้นางหรือเปล่าจะมีบุตรได้ไหมพ่อคิดหาเหตุผลอยู่นานโดยสำรวจตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจริงตอบท่านว่าเห็นทีจะสอบไม่ได้และก็คงจะไม่มีบุตรอีกด้วยพ่อให้เหตุผลท่านว่าคนที่จะได้เป็นคุนนาง จะต้องมีบุญบัรสนะส่วนพ่อนั้นบุญบัตรสน้อยตนเองก็มิได้สั่งสมกุศลกรรมอันใดไว้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีใดใดนิสัยของพ่อก็ไม่ดีไม่มีความอดทนงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้ใครทำให้ไม่ถูกใจก็โกรธไม่ยอมให้อภัยใจคอคับแคบ บางครั้งยังอวดดีว่ามีความรู้มากมายยกตนคมท่านใจคิดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นคนเช่นพ่อเนี่ยไม่สมควรมาสอบเพื่อเป็นคุณนางกับเขาเลยแล้วพ่อก็สาธยายให้ท่านฟังถึงเหตุผลที่คิดว่าตนเองไม่สมควรที่จะมีบุตรจริงดังคำพยากรณ์ของท่านผู้เท่าคงให้ท่านอาวินกุเทระฟังต่อไปว่า อันธรรมดานิสัยของพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปไม่เป็นไปตามทางแห่งมัชชิมาปฏิปทาโบราณท่านว่าไว้อันพื้นดินนั้นยิ่งไม่สะอาดเพียงใดก็ย่อมเจริญด้วยพืชพันานานาชนิดน้ําที่ใสสะอาดมักจะไม่มีปลามาแหวกว่ายฉันใดพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปจึงย่อมไม่มีบุตรฉันนั้น นี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งธรรมชาติสรรสร้างสรงสรพรสิ่งให้มีความสมดุลเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตด้วยดีแต่พ่อมักโกรธทำให้ร่างกายและจิตใจเสียดุลอยู่เป็นนิจยอมไม่สามารถมีบุญไ ด, ด้นี่เป็นเหตุผลประการที่สองความเมตตาเท่านั้นที่ค้ำจุนโลกไว้แต่พ่อนั้น จิตใจขาดความกรุณาปราณีไม่ยอมลดตนลงช่วยผู้อื่นเต็มไปด้วยอาสมีปันนะฉนัยจักมีบุตรได้เล่านี่คือเหตุผลประการที่สามการพูดมากทำให้สูญเสียพลังพออดพูดมากไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือเหตุผลประการที่สี่ชีวิตต้องอาศัยพลัง ลมปราณและความมีชีวิตชีวาอันเกิดจากชีวิตินทรีซีที่ธาตุดินน้ำไฟลมผสมอิงอาศัยกันอยู่สามสิ่งนี้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคอยพลดุงชีวิตไว้ให้ดำรงคงอยู่พ่อดื่มเหล้ามากเผาผลาญร่างกายตนเองอยู่เสมอทำให้ปัจจัยทั้งสามนี้ลดน้อยถอยลง อยากมีบุตรได้อย่างไรแม่จะมีได้บุตรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยืนนี่คือเหตุผลประการที่หในยามกลางวันคนเราไม่ควรนอนในยามกลางคืนก็ควรนอนพักผ่อนให้สบายแต่พ่อไม่ชอบนอนกลางคืนชอบนั่งเข้าที่เป็นสมาธิอยู่ตลอดคืนได้เสมอไฉนาจากมีบุตรได้เรา นี่เป็นเหตุผลประการที่หที่ทําให้พ่อคิดว่าชาตินี้พ่อจะมีบุตรไม่ได้สมจริงดังคาทํานายเป็นแน่แท้และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่พ่อทําผิดผิดไว้อีกมากมายแม้จะพูดต่อไปก็คงไม่รู้จักหมดเป็นแน่ธนวินกุเทระฟังพ่อพูอพดเสียยืดยาวแล้วจึงกล่าวว่าไม่เพียงแต่พ่อไม่สมควรจะเข้าสอบเป็นคุนนางเท่านั้น ยังมีอีกห ล, หลายสิ่งที่พ่อก็ไม่สมควรจะได้รับด้วยคนในโลกนี้แม้จะอยู่ในภาวะแวดล้อมเดียวกันในเวลาที่ไม่ต่างกันแต่บางคนได้รับแต่สิ่งดีมีสุขบางคนกลับได้รับแต่ความยากจนเป็นทุกข์มีความแตกต่างกันมากมายผู้รู้ย่อมเข้าใจดีว่า นั่นล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากใจตนเองทุกคนสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีผลชั่วจากใจตนเองทั้งสิน้นผู้ไม่รู้ยอมถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่ลิขิตมาแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้หารู้ไม่ว่าก็ทุกสิ่งเกิดจากใจตนเองแล้วทำไมตนเองจะแก้ไขไม่ได้เล่าคนที่ทำบุญให้ทานมากมาย นั่นเขากำลังสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นเศรษฐีมีเงินพันช่างร้อยช่างตามความมากน้อยที่เขาทำแล้วบางคนจนถึงขนาดอดตายนั่นก็เพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยมาเช่นนั้นมีความตรณีเหนียวนั่นไม่ยอมเกินเลยใครทรมานกักขังสัตว์ให้อดอยากและอดตายมาแล้วผลจึงเกิดแก่เขาเช่นนั้น หาใช่้าดินเกิดความลำเอียงไ่ม้าดินก็คือธรรมชาติย่อมปราณีคนดีลงโทษคนชั่วเหมือนดังที่ปราณีต่อพืชพันธัญญาหารคอยลังฝนมาให้ความชุ่มชื้นคอยส่องความสว่างมาให้ความเจริญเติบโตและธรรมชาติก็จะดุดันกับความไร้คุณธรรมกระนาทั้งฝนพายุและสายฟ้า มนุษย์ต้องตายไปท่ามกลางความดุดันของธรรมชาติก็มีไม่น้อยทั้งนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความดีความชั่วในตัวบุคคลใครดีก็จะได้รับการส่งเสริมใครเลวก็ลงโทษเสียบ้างเพื่อให้เกิดความสมดุลกันแล้วท่านก็บอกพ่อว่าเมื่อพ่อรู้ตัวเองว่าไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วเช่นนี้ และเข้าใจความเป็นไปของฟ้าดินแล้วายก็จงรีบเร่งสั่งสมคุณธรรมความดีงามทันทีไม่คอยแต่จับผิดผู้อื่นสามารถให้อภัยได้แม้ความผิดนั้นจะเทียบเท่าภูเขาก็ตามมีขันติอดทนต่อความไม่พอใจไม่โกรธง่ายมีแต่ความเมตตากรุณาไม่พูดมากไม่เดิมสุรารักษาสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจ สิ่งที่แล้วมาแล้วก็ให้คิดว่าตายไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแทนที่เหมือนเกิดใหม่ในวันนี้มีชีวิตใหม่เพื่อสร้างสมคุณธรรมที่ดีใหม่ไม่ใช่ชีวิตเกา่าที่มีแต่เลือดเนื้อและเต็มไปด้วยความเป็นบุถุชนสร้างชีวิตให้หลุดพ้นจากความครอบงำของกิเลสตันหาอุปทานสามารถพัฒนาตนเอง ให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วชีวิตก็จะมีคุณค่าผิดแผกแตกต่างจากชะตาชีวิตที่ได้กำหนดไว้แล้วในคาพยากรณ์ก็ร่างกายที่กอบด้วยเลือดเนื้อนี้ยังเป็นไปตามลิขิตของดินฟ้าทำไมกับชีวิตที่กอบด้วยคุณธรรมความดีงามฟ้าดินจะไม่ยังรู้ได้หรือโชคชะตาที่ฟ้าดินลิขิตมามนุษย์ ยังพอลีกเลี่ยงได้บ้างแต่เคราะห์กรรมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เองก็จะหนีไม่พ้นเลยมีโครงบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องคอยสํารวจตนเองเสมอเพื่อจักได้ดําเนินชีวิตไปตามคันลองคลองธรรมเมื่อกระทำแต่ความดีงามแล้วไซฉไหนี้นะจั ก, จ<า>กไม่ได้ความดีอันเป็นผลเล่าความดีความชั่ว จึงล้วนแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เองทั้งสิน้นการที่ท่านผู้เท่าคงพยากรไว้ให้นั้นเป็นเพียงชะตาชีวิตที่ลิขิต จ, จากฟ้าดินย่อมมีทางแก้ไขได้จงรีบสร้างคุณธรรมความดีงามเริ่มโดยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังการตอบแทนอย่ามุ่งหวังแต่ชื่อเสียงทาอย่างเงียบๆการปิดทองหลังองค์พระปฏิมนั้น กลับได้บุญมากกว่าถ้ามีคนรู้เห็นกันมากพากันสนเสริญอนุโมทนาสาธุการความมีชื่อเสียงก็จะแบ่งความดีงามไปเสียมากบุญก็จะน้อยลงเพราะได้ผลในปัจจุบันไปเสียแล้วบ้างแต่ถ้าทําแล้วไม่โออวดในความดีนั่นผลบุญก็จะเต็มดุจวารีที่เปียมฝั่งใครเล่าจะแย่งหรือแบ่งบุญของเราไปได้ การทำดีเช่นนี้มีหรือจะไม่ได้เสวยผลแห่งความดีนี้คำพิบราณชื่อว่าเอกเก่งก็เด็เน้นถึงความดีความชั่วไว้อย่างละเอียดละอสอนคนดีให้รู้จักหลบหลีกจากกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจักได้ผลดีตอบแทนหากว่าลิขิตของเจตตาชีวิตเป็นสิ่งแน่นอนแล้วไซ จากหลีกเลี่ยนกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีได้อย่างไรในหน้าแรกของคมพีกล่าวไว้ว่าครอบครัวใดสั่งสมแต่ความดีงามไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสวยผลแห่งความดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเลีน้นหลนก็จะพลอยได้เสวยผลแห่งกรรมดีนั้นด้วยวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิต ไม่สามารถควบคุมมนุษย์ไว้ได้เสมอไปจิตใจมนุษย์สำคัญกว่าจิตใจที่ดีงามย่อมกระทําแต่สิ่งที่ดีงามและได้รับผลที่ดีงามผู้มีจิตใจซามย่อมกระทําแต่สิ่งที่เลวซามและได้ผลที่ซ้มท่านถามพ่อว่าเชื่อท่านหรือไม่เล่าพ่อเชื่ อ, อย่างมาก เพราะท่านพูดมีเหตุผลพ่อจึงคุกข่าวลงกราบท่านเพื่อแสดงว่ารับคำสั่งสอนด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วพ่อไปนั่งลงณห น, น้าที่บูชาพระรัตนตรยัยสารภาพบาปในอดีตต่อพระพักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างหมดเปลือกแล้วอธิษฐานขอให้ได้เป็นคุณนาง ตอนนี้ไปจะเริ่มกระทําความดีให้ครบสามพันครั้งเพื่อตอบแทนพระคุณฟ้าดินและบรรพชนของพ่อ นวินกุเทระเห็นพ่อมีความตั้งใจทำความดีถึงป่านนี้จึงเอาตัวอย่างบัญชีกรรมดีกรรมชั่วมาให้พ่อดูแล้วสอนพ่อให้จดบัญชีพฤติกรรมของตนเองแต่ละวันอย่างละเอียดทีท่วนโดยไม่เข้าข้างตนเองถ้าเป็นกรรมดีก็จดไว้ข้างหนึ่งถ้าเป็นกรรมชั่วก็จดไว้อีกข้างหนึ่งเหมือนบัญชีรับจ่ายต้องนำกรรมชั่วไปลบกรรมดีให้เหลือกรรมดีสามพันครั้ง โดยไม่มีกรำชั่วที่ไม่ได้หักลบกลบหนี้แล้วจึงจะนับว่าทำความดีได้ครบสามพันครั้งต้องนาบัญชีมาทบทวนดูทุกวันเพื่อเตือนใจให้รู้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทำอะไรไปบ้างดีมากกว่าชั่วหรือชั่วมากกว่าดีอะไรผิดอะไรถูกจกได้แก้ไขปรับปรุงตนเองไม่ทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำชั่วเบ า, เบา ก็ต้องนำมาลบกรรมดีออกสียครั้งหนึ่งกรรมชั่วหนักๆนักก็ต้องลบความดีออกหลายๆครั้งจนกว่าความดีจะครบส0 0พันครั้งดังที่ได้อธิษฐานไว้แล้วสอนพ่อสวดมนต์บริกรรมคาถาเพื่อช่วยให้มีจิตมั่นคงโดยอาศัยอำนาจกุณพระศีรัตนตรัยเป็นสระณนะเพื่อให้คำอธิษฐานหนักแน่นสำฤทธิผลเร็ววัน ท่านยังเล่าให้พ่อฟังต่อไปว่าผู้ทีช่ชานาญการวาดหูคือลงเลขลงยันได้กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่รู้วิธีวาดหูได้ถูกต้องแล้วไซจะถูกผีสางเทวดาหัวรเราะเยาะเอาได้เพราะฉะนั้นการวาดหูก็ต้องหัดให้เป็นไว้เคล็ดลับของวิชานี้อยู่ที่ต้องทำาจให้เป็นเอ ก, กตาให้ได้เท่านั้นเมื่อเริ่มจับผู้กัน ก็ต้องหยุดความรู้สึกนึกคิดใดๆให้หมดไม่วอกแวกทำจิตให้นิ่งรวมพลังจิตทั้งหมดพุ่งตรงไปยังปลายผู้กันแล้วจดปลายผู้กันลงไปที่กระดาษผ้าหรือแพรก็ได้ทิ้งน้ำหนักปลายผู้กันให้แน่นิ่งเป็นการเบิกทวารฟ้าดินด้วยพลังจิตที่พุ่งกระทบอย่างแหลมคมหูจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นนี้เองเมื่อเริ่มต้นแล้วก็ต้องเขียนให้จบกระบวนการโดยไม่หยุดชะงักไม่ต่อเติมไม่ยกผู้กันขึ้นต้องวาดให้ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันจิตเป็นเอกัตตาตลอดแนวทางที่ผูกกันตวัดไปมาหูนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอธิษฐานใดๆต่อฟ้าดินก็จะสำเร็จผลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ผู้ที่มีกิเลสธุลีหนานน่นในใจเหมือนตกอยู่ในความมืดดังอยู่ในคันมานดาไม่สามารถมองเห็นอะไรอื่นเมื่อจดปลายผู้กันลงไปครั้งแรก<ม>ก็เท่ากับได้เจาะความมืดให้แสงสว่างส่องเข้าไปได้และเมื่อตวัดผู้กันไปด้วยจิตนแหลมคมเป็นสมาธิอยู่นั่นก็เป็นการพุ่งพลังจิตไปตามผู้กันนั้นโดยมีแสงสว่างและชาิในผู้กัน เป็นสื่อนำพลังจิตไปพลังจิตประทับอยู่ตรงไหนความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดที่นั่นการบริกรรมก็ต้องทำสม่าเสมอขาดไม่ได้เช่นกันต้องบริกรรมจนแม้ปากไม่บริกรรมแล้วแต่ใจยังคงบริกรรมอยู่บริกรรมจนไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้บริกรรมเพราะมนก็ดีการบริกรรมก็ดี ตัวเราผู้บริกรรมก็ดีได้ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียแล้วจนแยกไม่ออกเมื่อใดเมื่อนั้นการบริกรรมก็ศักดิ์สิทธิ์นักประท่านมเมื่อเจอได้กล่าวไว้ว่าอันว่าอายุยืนหรืออายุสั้นหามีความแตกต่างกันไม่ให้มันฝึกฝนตนเองไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราจะได้พบความจริงว่า ใดๆในโลกนี้หามีความแตกต่างกันไมมล้วนแต่เป็นสภาวธรรมที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาผู้ที่ฝึกฝนตนเองไม่เห็นความแตกต่างของสภาวธรรมผู้นั้นก็เข้าถึงสภาวธรรมและไม่ถูกความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกหลอนเบียดเบียนหลุดพ้นจากความร้อยรัดของกิเลส ต, ตัณหาอุปท า, านได้หมดสิน้น ถ้าคิดโดยผิวเผินก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะความมีอายุสั้นและอายุยืนนั่นแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามทีเดียวแต่ถ้าคิดให้ลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านพูดไว้ไม่ผิดเลยทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสภาวธรรมสภาวธรรมหนึ่งเท่านั้นมนุษย์มักจัดเข้าพวกกันบ้างแยกประเภทให้บ้างจนดูสับสนสลับซับซ้อนไปหมด ธรรมดาทารกที่เกิดมาใหม่ๆนั้นหารู้ไม่ว่าอายุสั้นอายุยืนมีความหมายอย่างไรกันแต่เมื่อเติบโตแล้วจึงสามารถแยกแยะความหมายเลือกคุณค่าของสรรพสิ่งโดยคำสอนของผู้ใหญ่บ้างจิตดังเดิมเป็นเช่นนั้นบ้างตอนนี้เองผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเด็กนั้นก็จะเริ่มมาให้ผลจึงได้เห็นความอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้าง ความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้นด้วยประการล่ชนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนความสุขกับความทุกข์ความตกต่ำกับความรุ่งเรืองหรือความมีอายุยืนกับอายุสั้นจึงจะสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไปให้ความแตกต่างกับสิ่งเหล่านี้เสก่อนแล้วเราจะไม่สามารถสร้างชีวิต ให้ดีตามความต้องการของเราได้เลยจะยกตัวอย่างให้ดู <S <S <aud it> เด็กสองคนคนหนึ่งเกิดมาเป็นลูกคนรวยอีกคนเกิดมาเป็นลูกคนจนถ้าเด็กรวยคิดว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นเพราะความรวยกว่าคนอื่นแล้วไส้ <S <S <aud it> ก็จะเกิดความลำพอง ถือเงินเป็นอำนาจบาดใหญ่เที่ยวระรานคมเหง้เอาแต่ใจตนเองส่วนลูกคนจนนั้นถ้าคิดว่าตนเองยากจนไม่มีเงินเหมือนลูกคนรวยก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่ออยากได้อะไรไม่ได้ดังใจความกดดันก็จะเป็นแรงขับให้เริ่มฉกชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยจนถึงต้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์รุนแรงขึ้นทุกทีแม้จะต้องโทษก็ไม่กลัว ได้กินข้าวหลวงสบายไปสีอีกถ้าเราแยกแยะความรวยความจนเช่นนี้ก็จะเป็นคนดีไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่คิดว่าเรารวยจะทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคิดแต่จะช่วยเหลือเจือจานไปทั่วหน้าใช้เงินที่ตัวมีมากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีน้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้เปรียบผู้อื่นโดยสภาวธรรม มาเกื้อกูลผู้อื่นที่มีน้อยถึงกับขาดแคลนตามสภาวธรรมความเมตตากรุณาที่เกิดจากความรู้จริงในสภาวธรรมนี้ก็จะหล่อล้อมให้ช่องว่างระวังความรวยความจนนั่นปิดสนิทไม่สามารถเกิดความแตกต่างได้เลยส่วนเด็กที่เกิดมายากจนอันเป็นสภาวธรรมหนึ่งนั่นทำไให้ความแตกต่างในความรวยความจนแล้ว ก็จะไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้จักขยันหมั่นเพียรสันโดษในความเป็นอยู่ซื่อตรงในความประพฤติรู้จักใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นแทนแรงเงินที่ตนขาดแคลนไม่คอยคิดที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตนแต่ไม่เร้องเกียจที่จะช่วยผู้อื่นตั้งหน้าธรรมหากินหนักเอาเบาสู้อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะกลายเป็นคนรวย คนรวยก็จะยิ่งรวยมากขึ้นถ้ามีนิสัยเหมือนเด็กทั้งสองคนนี้เมื่อถึงวันนั้นความแตกต่างจากมีได้อย่างไรแม่อายุสั้นอายุยาวก็เช่นกันถ้าเราไม่เชื่อว่าจะตาชีวิตได้ลิขิตให้เรามีอายุสั้นเราก็ไม่พวองถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ผู้ที่ไม่เชื่อวัชตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ท น, นงตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเกียดคร้านที่จะประกอบกรรมดีปลัดวันประกันพรุ่งดื่มสุราหานารีเล่นภาชีกีฬาบัรเผาแผลนชีวิตไ ป, ไปทุกวันทุกวันอายุจะ<า>ยืนนานไปได้อย่างไร เกิดความตายเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของมนุษย์ถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วไซเราจะเกิดในสภาวะธรรมใดก็ตามย่อมจักดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ปราศ จ, จากความกดดันรู้จักดารงชีวิตด้วยดีตายดีและไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไปทำไมหรือเพราะความชั่วร้ายมิได้อยู่ที่ความรวยความจน ไม่ได้อยู่ที่ความอายุสั้นหรือยาวความสุขความทุกข์นั้นย่อมขึ้นอยู่ที่เราสามารถประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากเราการฝึกฝนตนเองให้รู้จักประกอบกรรมทรรมดีนั้นย่อมเป็นการสั่งสมบุญบา ร, รมีโดยแท้เราจะต้องมันสังเกตพฤติกรรมของเราเองมีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแก้ไขเหมือนดังหมอ ที่พยายามรักษาคนไข้ให้หายจากโรคฉะนั้นการสั่งสมบุญบา ร, รมีต้องพยายามอยู่ทุกขณะจิตค่อยทําค่อยไปไม่หวังผลจนเกินกำลังไม่ยอนยานจนไม่ก้าวหน้าเมื่อจิตได้รับการอบรมที่ดีบ่มจนได้ที่แล้วนั่นคือความสำเร็จที่จะได้รับในการประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านบอกกับพ่อว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะขอให้มันบริกรรมอย่าได้หยุดยัง้งจะขาดการสืบต่อเมื่อบริกรรมจนเกิดความชนานาญแล้วก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ว่าจะบริกรรมหรือไม่จิตก็จะทำไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตดิ่งเป็นเอกกตาแล้วใสย่อมรวมมนคถาที่บริกรรมตัวคนบริกรรมและจิตที่บริกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกออกจากกันเมื่อ น, นั้นการบริการก็จะประสบความสาเร็จทันทีที่อธิษฐานไว้เช่นไรก็จะสมปรารถนาเช่นนั้นพ่อนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าสุวียหายในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเลวฝานเพราะพ่อรู้ซึ้งแล้วว่าการสร้างอนาคตน่าจะต้องเริ่มที่ตนเอง ไม่ใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยถากรรมพ่อจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นบุทุชนให้ได้ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของคมพยากร์อีกต่อไปนี่คือความหมายในชื่อใหม่ของพ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อสำรวมระวังบทบาทของกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ทําให้ผิดแพกไปกว่าแต่ก่อนมากความมักง่าย ตามใจตนเองความไม่สารวมอินทรีย์ได้ลดน้อยลงมีแต่ความระแวดระวังตั้งสติไม่ประมาทดุดดังเตรียมพร้อมตั้งรับพยันตรายที่กำลังคืบคลานมาหาพ่อฉะนั้นแม้จะอยู่ในที่มืดหรือในที่ระหโหฐานก็ยังเกรงว่าผีสางเทวดาคอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ตอนหน้าและรับหลังคน จึงประพฤตินตนไม่ต่างกันหากมีผู้ใดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างไรวิาพากวิจารณรุนแรงเพียงใดพ่อกลับรับฟังได้โดยดุษเนีไม่เคยต่อโลอต่อเถียงกับผู้ใดอีกเลยเมื่อการลยเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีพ่อได้โอกาสเข้าทําการสอบไล่อีกครั้งคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เท่าคงที่พยากรณ์ไว้ว่า จะสอบได้ทีสามทานว่าหลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะสอบไม่ได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นอันว่าคาพยากร์ไม่สามารถกุมวิถีชีวิตของพ่อได้อีกต่อไปแต่การทำความดีนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่นึกไว้สำรวจดูแล้วก็พบข้อบอกพร่องมากมายเช่นไม่มีความอาถรรนพอที่จะเสี่ยงชีวิต เข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยบางทีจิตใจลังเลไม่สามารถช่วยได้สุดกำลังบางทีก็ช่วยไปบนว่าไปอดติเตียนซช่ไม่ได้เวลาปกติก็ยังมีสติควบคุมตนเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมาไมา้ความประพฤติดังเดิมก็กลับมามีบทบาทอีกคะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปซิมากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบบ็ปี คือตั้งแต่คริสตศักราช 1,569 จนคริสตศักราช 1,579 จึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบ 3,000 ครั้ง บังเอิญขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกดานเสียกับเพื่อนจึงไม่ได้ประกอบพิธีอุทิศบุญกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จงกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งคริสตศักราช1580เมื่อกลับมาทางใต้แล้วจึงไปนิมนต์ท่านสิ่งคงและท่านหวุวยคงซึ่งล้วนเป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศ กุศลผลบุญที่ได้เพียรทำต่อเนื่องมาได้รวมสามพันครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วเริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่ครั้งนี้ขอให้ได้ลูกที่ดีจะทำความดีอีกสามพันครั้งพอรุ่งขึ้นอีกปีคธศกราชหนึพัาร 1,581 พ่อก็ได้เจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทียนชี่แปลว่า ฟ้าประทานเวลาใดที่พ่อได้กระทําความดีทางกายกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีพ่อก็จะใช้ผู้กันบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อได้ช่วยพ่อกระทําความดีครั้งใดก็ใช้ก้านขนหารจิ้มชาติกดวงไว้บนปฏิทินบางวันให้ทานคนยากจนหลายครั้ง ปล่อยสัตว์มีชีวิตมากวันหนึ่งวันหนึ่งแม่เจ้าวงไว้ถึงสิบกว่าวงด้วยกันเพียงสองปีกว่าก็ทำได้ครบสามพันครั้งอีกคราวนี้พ่อนิ ม, มนต์พระเถระรูปก่นกอนมาทำพิธีอุทิศบุญกุศลที่บ้านเราเองและเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งจิ้นสือได้ จะทำความดีให้ครบหนึ่งหมื่นครั้งต่อมาอีกสามปีพ่อก็สอบได้และได้เป็นนายอมเภอในปีนั้นเองคือประมาณคริสตศักราช1586พอ่อได้ทำสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าสมุดบริหารใจตอนเช้าอันเป็นเวลาที่พ่อนั่งชำระความพ่อก็ให้คนนำสมุดนี้มาวางไว้บนบัลังด้วยในแต่ละวัน พอชำระคดีไว้อย่างไรบ้างก็จะบันทึกไว้ในสมุเดเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อไว้ตรวจสอบดูว่าจะมีอคติในการชำระความอย่างไรบ้างหรือไม่มีความยุติธรรมเพียงพอไหมให้ความเมตตาปรานีเพียงพอไหมเพื่อจะได้ไว้แก้ไขในวันต่อไปพอตกกลางคืนพ่อก็ตั้งโต๊ะที่กลางลานบ้านพ่อแต่งตัวเต็มยศ เพื่อแสดงความเคารพต่อฟ้าดินแล้วจุดธูปเทียนบูชาฟ้าดินคุกเข่าลงอ่านบันทึกนั้นแล้วเผาถวายฟ้าดินไปหนึ่งชุดเก็บไว้หนึ่งชุดที่พ่อทำเช่นนี้ก็เพราะพ่อเห็นตัวอย่างอันดีงามนี้มาจากคุณนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสมัยราชวงศ์ซองที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนด้วยความเคารพอย่างสูงว่า เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเท่ากับชีวิตของท่านเองไม่ยอมสยบต่อขุนนางกังชินดูแลความทุกข์สุขของรอัษดรและขุนนางใหญ่น้อยยังไม่กลัวตายถ้ามีการช่อราดบางหลวงมีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก็กาทําเข็นกับชาวบ้านหรือขุนนางผู้น้อยแล้วใส่ แม้ผู้นั้นจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรโดปรานของห้องเต้สักเพียงไรก็าตามท่านก็ไม่เกรงกลัวเป็นต้องนำหลักฐานทูลกล้าวถวายห้องเต้ให้ได้รับโทสานุโทษจงได้เมื่อท่านสิ้นอายุขายแล้วจึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นที่ชิงเซียนกงหมายถึงผู้ที่กราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจ พ่ออ่านชีวประวัติอันเกลียริของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดีงามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันการชำระความของพ่อมิให้ดังพร้อยเสียความยุติธรรมไปได้พ่อจึงกระทำเช่นนี้ทุกคืนแม่ของเจ้าแสดงความมิตกตังวลให้พ่อฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเราเองก็ช่วยกันทาบุญทาทาน มีโอกาสประกอบกรรมดีมากไม่กี่ปีก็ได้ครบ3 0 0สามันครั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ราชการไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนยากคนจนเหมือนแต่ก่อนความดีหนึ่งื่นครั้งเมื่อใดจะทำสำเร็จได้รลพ่อก็ได้แต่รับฟังในคืนวันนั้นจะว่าบังเอิญหรือไม่นออพ่อฝันเห็นเทวดาองค์หนึ่ง พ่อจึงปรับทุกข์กับท่านถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิต ก, กังวลท่านบอกกับพ่อว่าพ่อนั้นไม่รู้ตัวเลยพ่อได้ทำความดีครบหนึ่งมื่นครั้งแล้วเพียงแต่ลดภาษีข้าวให้แก่รัศดรทั้งหมดที่อยู่ในความปกครองของพ่อโดยทั่วหน้ากันการบรรเทาภาระอันหนักของรัศดรเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่เพราะทาให้รัษฎรเป็นสุขขึ้น พอตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อได้ทำไปเช่นนั้นจริงๆเพราะสงสารราษฎรที่ต้องเสียภาษีหนักเกินไปทำไมเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งพ่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ล่วงรู้ถึงเทวดาฟ้าดินได้และก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำเพียงแค่นี้นะรึก็เป็นความดีได้ถึงหนึ่งมื่นครั้งบังเอิญท่านฟานอวิเทระ มาจากภูเขาอูทายสานพ่อจึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสยัยท่านตอบว่ากุศลกรรมใดก็ตามถ้าทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วไสแม้กระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำหนึ่งมืนครั้งได้ทีเดียวการที่พ่อเห็นความทุกข์ยากของรัศดรหาทางแก้ไขพอหนักเป็นเบา ความสุขที่รัศดรทั้งอำเภอได้รับย่อมเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถวายแก่ท่านฝันอวิเทระเพื่อให้ทำอาหารบังสวิรัตถวายพระภิกษุในวัดของท่านซึ่งมีประมาณหนึ่งมืนรูปและอุทิศกุศลกรรมทั้งมวลไปตามที่อธิษฐานเอาไว้ ผู้เฒ่าคงเคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุอยู่ได้ห้าบสามปีเท่านั้นพ่อก็มิได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนบัดนี้พ่อมีอายุได้69ปีแล้วโบราณท่านกล่าวไว้ว่าฟ้าดินนั้นสุดที่จะยั่งรู้ได้ชะตาชีวิตจึงเอาแน่ไม่ได้ชีวิตของใคร คนนั้นก็ต้องสร้างอนาคตเอาเองจะให้คนอื่นสร้างให้หาได้ไหมคำพูดนี้เป็นความจริงที่พ่อพิสูจน์ได้ด้วยตนเองพ่อจึงเชื่อมัน่นด้วยความประจักษ์แจ้งกระจายจของพ่อเองว่าความสุขความทุกข์ล้วนแต่เกิดจากการกระทาของตนเองทั้งสิน้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นคาที่ท่านนักปราชัตโบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้ ถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วไซแม่ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปรื่องอย่างไรเขาก็ยังเป็นบุถุชนอยู่หาความก้าวหน้ามิได้เลยสำหรับตัวของลูกนั้นพ่อก็ยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้ลูกจำไว้ว่าแม่ลูกจะมีบุญวัสน์ศาสนาสูง ก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีวันที่ตกต่ำลงมาได้ถ้าลูกไม่รู้จักการระวังตัวยามใดที่ลูกรู้สึกชีวิตมีแต่ความราบรื่นปลอดโปรง่งสะดวกสบายไปทุกสิ่งลูกก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอาจจะมีวันที่ต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนถ้าลูกไม่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอยู่เสมอ ยามใดที่ลูกมีความเหลือเฟือเงินทองไหลมาเทมามีความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกจะต้องตกรกรรมลำบากระหกระเหินแม้ที่จะค้างกายสักคืนก็ทั้งยากหากลูกไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรทางแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ยามใดที่มีคนนิยมชมชอบอเคารพนบนอกต่อลูกลูกก็จะต้องยิ่งทำตนให้เป็นที่เคารพยิ่งยิ่งขึ้นทอมเนื้อทอมตัวด้วยความจริงใจมิใช่เสแสร้งแกล้งทําปากยางใจย่างอวดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งลูกก็อย่ายึดมั่นในโลกกระทำนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไป ต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งยศศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่มันประกอบความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็จงอย่าทะนงตนว่าใครก็สู้ไม่ได้ลูกจะต้องมันฝึกฝนเพื่อให้ความรู้นั้นแตกฉานยิ่งขึ้น ถ้าลูกทำได้ช้นนี้ลูกก็จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงสง่งและคงความสูงส่งนั้นไว้ได้ไม่มีวันที่จะตกตำ่ำนอกจากวิบากแห่งกรรมเก่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าในชาติปางก่อนนั้นลูกได้เคยทำอกุศลกรรมอะไรไปบ้างวิบากแห่งกุศลกรรมนั้นยอมให้ผลเมื่อถึงเวลาเสมอแต่ถ้าลูกมีความดีมากจริงๆแล้ว อกุศลกรรมบางอย่างก็จะกลายเป็นอโหอสิกรรมไปคือกรรมตามไม่ทัน